บทที่ห9พระพุท ธ, ธานุภาพลงจากรถแล้วพระภิกษุเจ็ดรูปกับเครือหัดทั้ง8ก็พากันเดินเข้าไปยังบริเวณวัดที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วพระครูบุญมีเข้าไปเจรจากับภิกษุลังการูปหนึ่งแล้วกลับมารายงานด้วยท่าทางผิดหวังท่านบอกว่าวันนี้เขาไม่เปิดให้เข้าครับ ต้องพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขึ้นสิห้าค่ำและเป็นวันวิสาขาบูชาของเขาวันวิสาขาบูชาของเขากับของเราทำไมไม่ตรงกันละ่ะของเรายังไม่ถึงทำไมของเขาถึงก่อนหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยมีรับสั่งถามพระครูบุญมีตอบว่าปฏิทินของเรากับของเขาไม่เหมือนกันนะจ๊อยห ม, ม่อมเจ้า ไม่แต่ประเทศศรีลังกาเท่านั้นที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยประเทศอินเดียก็ไม่เหมือนเพราะประเทศอินเดียใช้ระบบเดียวกับศรีลังกาคือศรีลังกาเขาใช้ระบบสุริยคติของเราใช้ระบบจันทรคติวันเดือนเลยคลาดเคลื่อนกันตกลงว่าเราจะไม่ได้เข้าไปใช่ไหมครับหลวงพี่พระนักศึกษารูปหนึ่งถามขึ้น ท่าทางผิดหวังเพราะตั้งใจเต็มที่ว่าจะได้มานมัส ก, การพระเกี้ยวแก้วมีท่านพระครูกับหลวงพ่อแพ่เท่านั้นที่รู้ว่าจะต้องได้เข้าเพราะสมเด็จโตท่านบอกไว้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาให้คนรักษากุญแจเขาอาจจะมาเปิดให้เราเข้าไปก็ได้หลวงพ่อแพ่แนะนำเพราะเชื่อมั่นในหลวงพ่อโตของท่าน ต่อให้สวดมนต์จนคอแห้งก็ไม่ได้เข้าไปชมหรอกครับคราวนี้ผมขอรับรองว่าไม่โชคดีเหมือนม่ตตะกี้พระครูบุญมีว่าท่านรู้สึกเสียหน้าที่มาถึงก่อนเวลาห้าโมงเย็นและคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่จะเป็นปาฏิหารไม่เชื่อโดยซ้ำว่าปาฏิหารมีอยู่ แต่ผมว่าน่าจะลองทําตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะท่านพระครูไหนไหนก็มาถึงแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเสนอแนะท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าจะต้องได้เข้าไม่เช่นนั้นหลวงท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าจะต้องได้เข้าไม่เช่นนั้นสมเด็จโตคงไม่มาบอกอย่าเลยครับเสียเวลาเปล่าๆผมเชื่อว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ให้เราเข้า พระบุญมียังคงยืนยันคราวนี้ท่านจะไม่ยอมให้เสียหน้าเหมือนที่แล้วแล้วมาท่านเชื่อว่าไม่ได้เข้าผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เข้าแต่ผมเชื่อว่าผมต้องได้เข้าแล้วก็เชื่อด้วยว่าหลวงพ่อก็ได้ท่านพระครูพูดเป็นปริศนาแต่มันเสียเวลานะครับมัวมาหวังลมๆแรงๆ อย่างนี้มันเสียเวลาผมว่าพวกเราพาญาติโยมไปเข้าที่พักก่อนดีกว่าพระครูบุญมีชักจะอารมณ์ไม่ดีที่ท่านพระครูดูเหมือนไม่เชื่อฟังท่านใจเย็นๆครับท่านพระครูผมขอลองสวดมนต์ดูจะไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงท่านบอกเราจะไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงหรอกท่านบอกว่า เราจะมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นแต่เราก็มาถึงก่อนสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านคิดว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผมให้นี้เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางก็แล้วกันเมื่อภิกษุวัย43พูดอย่างนี้ภิกษุวัยส0ท่วนจึงต้องยอมจำนนกระนั้นก็อดที่จะพูดเหน็บแนมซิไม่ได้ว่าตามใจเธอแต่ผมไม่สวดด้วยหรอกนะ เพราะไม่ชอบหวังลมๆแรงๆ แ, แต่ถึงท่านจะสวดก็ไม่ได้เข้าเพราะท่านไม่ได้เขียนประคดอกท่านพระครูแอบพูดในใจแต่นอกใจนั้นท่านกลับพูดว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมทีนี้ท่านก็จะได้ประจักษ์กับตนเองว่าอานิสงส์การสวดมนต์นั้นน่าอัศจรรย์เพียงใด แล้วพูดกับคฤรุหัดว่าเอาละญาติโยมใครเชื่อพระครูบุญมีก็ไม่ต้องสวดใครเชื่ออาตมาก็สวดนั่งสวดกันตรงนี้แหละนายสมพรเห็นพระแบ่งเป็นสองฝ่ายเช่นนั้น ก็ทาหน้าที่ประณีประนอมได้การพูดกับพระครูบุญมีว่าอันที่จริงผมก็เห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าผมไม่สวดมนต์ท่านพระครูอาจไม่ให้ผมกลับเมืองไทยด้วยผมจึงจำเป็นต้องสวดตามใจเธอโยมอาตมาไม่ว่าหรอกแล้วพวกท่านละ่ะท่านถามพระมกุเทศทั้งสีรูปรูปหนึ่งตอบว่า ผมเชื่อท่านเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันทั้งที่สีร่างกายอีกนานส่วนหลวงพ่อกับท่านพระครูพรุ่งนี้ท่านก็กลับกันแล้วจริงไหมท่านถามพระภิกษุอีกสามรูปจะได้รับคำตอบเป็นเอกฉันท์ว่าจริงครับดังนั้นเมื่อพระภิกษุสองรูปกับคฤหัสถ์แดคนนั่งสวดมนต์พระมกุเทศห้ารูปจึงนั่งดู และพร้อมที่จะเยาะเยะ้ยหากการสวดมนต์ไม่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ30นาทีให้หลังก็มีบุรุษหนึ่งขี่จักรยานเข้ามาในวัดเห็นคนนั่งสวดมนต์ก็รู้สึกประหลาดใจเข้าไปถามพระครูบุญมีว่าพระคุณเจ้ากับญาติโยมมาจากไหนจึงมานั่งสวดมนต์ที่นี่มาจากประเทศไทย เขาพากันสวดมนต์เพื่อหวังจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนมัสการพระเขี่ยวแก้วภิกษุวัยสี่สิบทวนตอบเกินคำถามได้หวังจะให้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนมาช่วยกันเยอะเย้ยท่านพระครูหากก็ต้องผิดหวังเมื่อบุรุษนั้นพูดขึ้นว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองผมถึงได้ร้อนรุ่มกรุ้มหัไทยจนอยู่บ้านไม่ติดต้องมาที่นี่ โยมเป็นใครพระครูบุญมีถามรู้สึกใจคอไม่ดีกลัวจะต้องเสียหน้าอีกผมเป็นทวานบาลคือเจ้าหน้าที่รักษาประตูของวัดศรีดาลาดามัลิกาวะอันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี่ยวแก้วแห่งนี้ผมเห็นจะต้องเปิดประตูให้ท่านเหล่านี้เข้าไปเป็นกรณีพิเศษทำไมละ่ะ กำหนดเปิดพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือโยมควรจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะพระหัวหน้ามัคุเทศบอกเป็นไปได้อย่างไรการที่ท่านพระครูจะเป็นผู้ชนะอีกครั้งหันไปมองท่านก็เห็นท่านนั่งหลับตาอมยิ้มเลยอุปทานว่าท่านยิ้มเยะ่ะทั้งที่ความจริงท่านกำลังสวดมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพ กฎทุกกฎมันก็ต้องมีข้อยกเว้นท่านเหล่านี้คงเป็นผู้มีบุญวาสนามาจากประเทศไทยผมจึงต้องให้ความอนุเคราะห์เอ๊ะนี่ท่านไม่ใช่พวกเดียวกัน ห, หรือบุรุษนั้นตั้งข้อสงสัยพวกเดียวกันมาด้วยกันทั้งหมดนี่แหละโยมนั่นสิผมก็คิดว่าท่านเป็นพวกเดียวกัน แต่ดูท่าทางท่านไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าไปใ น, นมัสการพระเคี่ยวแก้วผมต้องขอโทษที่พูดตรงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ไม่มีอะไรหรอกโยมเอาเถอะโยมจะสงเคราะห์พวกเขาก็เชิญอาตมาขออนุโมทนาหากในใจนั้นท่านพูดว่าท่านพระครูชนะผมอีกตามเคยเอาเถอะผมจะถือคติแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารผมเป็นพระจะต้องยอมแพ้ท่านบุรุษชาวลังกาเดินไปที่จักรยานพระครูบุญมีถามว่าโยมจะไปไหนหรือว่าเปลี่ยนใจไม่ไปช่วยเขาแล้วท่านยังหวังที่จะเป็นผู้ชนะหากบุรุษผู้นี้เปลี่ยนใจไม่ช่วยก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ชนะสาธุขอให้ชนะเถิ จะได้ชื่อว่ามารก็ยอมละท่านตั้งจิตอธิษฐานผมจะกลับไปเอากุญแจที่บ้านแล้วก็จะไปบอกพักพวกอีกสามคนให้มาช่วยเขาตอบทำไมต้องช่วยโยมคนเดียวเปิดไม่ได้หรืออัตมาเกรงว่าจะเป็นการรบกวนคนอื่นอัตมากลัวบาปนะ่ะท่านพูดออกตัวไม่บาปหรอกครับท่าน แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจพวกเราด้วยโยมยังไม่ได้บอกอาตมาเลยว่าทำไมจ้องใช้คนตั้งสี่คนเปิดประตูโยมเปิดคนเดียวไม่ได้หรือคืออย่างนี้ครับพระกุณเจ้าเนื่องจากพระเขี้ยวแก้วเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของประเทศเราเราจึงต้องระวังรักษาอย่างดีที่สุดคนถือคุญแจจะต้องมีถึงสี่คน เวลาจะเปิดทุกคนจะต้องมาพร้อมกันขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่สามารถเปิดได้ผมจึงจะไปตามเจ้าหน้าที่อีกสามคนมาเปิดบ้านเขาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่คนละทิศสี่คนก็สีทิศผมอยู่ทิศเหนืออีกสามคนอยู่ทิศใต้ทิศตะวันตก ทิ่ตะวันออกได้ยินดังนั้นพระครูบุญมีจึงแอบอธิษฐานในใจว่าสาธุขอให้อีกสามคนไม่อยู่บ้านเถอะถึงอย่างไรท่านก็ยังอยากจะเอาชนะเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงนายสุเมศขี่จั ก, กรยานออกไปจากที่นั้นกำลังจะออกประตูวัดก็พบเจ้าหน้าที่อีกสามคนจอดรถจักรยานคุยกันอยู่ จึงเข้าไปไถ่าถามพวกคุณนึกยังไงถึงได้มานัดพบกันตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลยใจมันอยากจะมาวัดเลยขี่จักรยานมาก็มาพบในรามกับในสิงที่หน้าประตูเนี่ยนายวายุตอบ ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับนายวายุนั่นแหละนายรามพูดและคุณลาไปไหนมานายสิงถามนายสุมเมรเจ้าหน้าที่รักษาประตูซึ่งมีบ้านอยู่ทางทิศเหนือของวัดนายสุมเมรจึงเล่าเรื่องที่ตนประสบมาเมื่อสักครู่นี้ให้เพื่อนอีกสามคนฟังพร้อมกับสรุปว่าพวกเรากลับไปเอากุญแจที่บ้านกันเถอะ เสร็จแล้วมาพบกันตรงนี้ใครมาถึงก่อนก็รอคนอื่นๆแล้วคนทั้งสี่จึงแยกย้ายกันไปเอากุญแจที่บ้านของตนขณะที่เดินทางมาจากประเทศไทยใช้เวลาสดบนภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มคลั้นลืมตาขึ้นนอกจากจะพบพระมกุเทศห้ารูปแล้วก็มีบุรุษชาวลังกาอีกสี่คนยืนรออยู่ ท่านพระครูนึกถึงถ้อยคำของสมเด็จโตที่ท่านพูดว่าขอให้อดทนเขาจะเปิดให้ตอนสี่โมงและบัดนี้ก็ได้เวลาสี่โมงพอดีท่านถามพระครูบุญมีว่าโยมสี่คนนี้จะมาเปิดประตูให้ผมและคณะเข้าไปนมัสการพระเขี่ยวแก้วใช่ไหมครับคงใช่มั้ง ภิกษุวัยสี่สิตอบอย่างหมางเมินท่านพระครูมองป ร, ราดเดียวก็รู้ว่าคนเป็นหัวหน้าคือนายสุมเมธจึงพูดกับเขาด้วยภาษาสิงห์หนขอบใจมากนะโยมที่อุตส่าหา์อนุเคราะห์อาตมาและคณะพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของโยมในครั้งนี้เลยไม่เป็นไรครับพระกุณเจ้าเราเป็นชามพูดเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกัน นิมนต์พระคุณเจ้าและคณะตามพวกผมมาทางนี้เลยครับเขาเดินนำหน้าไปที่ประตูจะเปิดเข้าไปในวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระเขียวแก้วไขประตูชั้นนอกเข้าไปแล้วก็ไขชั้นที่สองที่สามตามลำดับครั้นถึงสุดท้ายเขาก็าหันมาสารวจพระสงฆ์เจ็ดรูปกับคฤหัสถ์ทั้งแปด อย่างละเอียดแล้วพูดว่าพระคุณเจ้าเข้าไปได้สองรูปคือรูปที่เขียนประคตอกส่วนอีกห้ารูปต้องเขียนประคตอกก่อนจึงจะเข้าไปได้สําหรับโยมเข้าได้ทั้งแปดคนพระมกุเทศทั้งห้ารูปรู้สึกเดือดร้อนเพราะไม่มีรูปใดเกียนประคตอกเลยเพราะไม่มีรูปใดเกียนอก เลยพระครูบุญมีจึงต่อรองว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษไม่ได้หรือพวกอาตมาเป็นพระนักศึกษามาจากเมืองโคลมโบไม่ได้หรอกรับพระคุณเจ้าเราต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่นายสุมเมรปฏิเสธอย่างนิ่มนวลก็ไหนโ ย, ยมบอกว่ากฎทุกกฎต้องมีข้อยกเว้นไงล่ะ ก็ยกเว้นหน้าอาตมาสักครั้งไม่ได้หรือครับแต่ข้อที่ท่านขอเรายกเว้นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสําคัญมากพระเคี้ยวแก้วมีความสําคัญต่อประเทศศรีลังกายอย่างที่สุดและมีความหมายต่อชาวพุทธทั่วโลกเราจึงต้องแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องเขียนอก จึงจะเข้าไปนมัสการได้เจ้าหน้าที่รักษาประตูตอบฉะฉานพระมกุเทศทั้งห้ารูปรู้สึกผิดหวังจนหน้าตาซีดเซียวท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงพูดปลอบว่าอย่าเสียใจไปเลยครับพวกท่านยังอยู่ในประเทศนี้อีกหลายปีส่วนผมกับคณะคงไม่มีโอกาสได้มาอีกฟังท่านพระครูพูดแล้ว ภิกษุผู้ไม่ได้เกียรติอกก็ทาใจได้โดยเฉพาะพระครูบุญมีนั้นท่านเป็นคนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้จะมีทิฏฐิอยู่บ้างตามระสาทิฏฐิพระมานะครูท่านเป็นพระครูจึงช่วยไม่ได้ที่ต้องมีทั้งทิฏฐิและมานะแต่ความเป็น ผู้ที่มีปัญญาก็ทำให้ท่านสามารถลดเจ้าอากุศลธรรมทั้งสองนี้ให้เบาบางลงดังนั้นความคิดที่อยากจะเอาชนะท่านพระครูก็เป็นอันตาลธานไปจากใจเพราะนึกถึงพุทธภาสิผู้ชนะย่อมก่อเวรท่านกำลังดำเนินปฏิปทาเพื่อบรรลุจากใจผู้ชนะย่อมก่อเวร ท่านกำลังดำเนินปฏิปทาเพื่อบรรลุคุณธรรมอันสูงควรละหรือที่จะมาเที่ยวก่อเวนกับใครต่อใครโดยเฉพาะท่านพระครูผู้ซึ่งได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าท่านเป็นพระพิสูจน์ผู้ทรงคุณวิเศษไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบัดนี้หัวหน้าพระมกุฏเทศได้กลายทิฏฐิมนนะ และเลิกก่อเวรเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการกระทําเช่นนั้นหาประโยชน์อันใดไม่ได้แม่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงสอนไว้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระ ง, งับด้วยความไม่มีเวรทานี้เป็นของเก่า เมื่อพิสุจ์ทั้งห้ารูปไม่ได้เขียนอกยอมรับในกติกาของวัดแล้วนายสุมเมรก็ไขกุญแจชั้นสุดท้ายและนำพระพิสูจน์สองคฤหัส8์เข้าไปนมั ส, สการพระเขี่ยวแก้วส่วนนายรามนายสิงห์และนายวายุรออยู่ด้านนอกกับพระมะกุเทศคฤหัสทั้ง8รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาส เข้านมัสการพระเขียวแก้วอันเป็นชิ้นส่วนเดียวของพระพุทธสารีละที่ยังเหลือไว้ให้ชาวโลกได้เคารพ บ, บูชาส่วนหลวงพ่อแพรนั้นทราบซึ่งในพระคุณหลวงพ่อโตของท่านที่อุตส่าห์มาบอกผ่านทางท่านพระครูกลับไปท่านจะต้องหาเงินมาสร้างพระสมเด็จโตให้ใหญ่ที่สุดในโลก แม้จะต้องใช้เงินถึง20สล้านบาทก็ตามพระเขี้ยวแก้วหรือที่เรียกเป็นทางการว่าพระธันตาธาตุมีเจดีย์ทองครอบไว้อย่างมิจิตจนตาเนื้อมีอาจมองเห็นได้ผู้ที่สามารถมองเห็นจึงมีเพียงหลวงพ่อแพรกับพระครูเท่านั้นรอบๆเจดีย์ถูกประดับประดาด้วยอั ญ, ญมณีมีค่าของประเทศศรีลังกา มีทั้งเพชรบุษราคำทับทิมไพลินและมรกตนายสุมเมตรอธิบายว่าการที่นำอั ญ, ญมณีมีค่ามาประดับประดาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระทันทาธาตุเป็นของมีค่าย่อมคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าและในทางจิตวิทยาทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเห็นพระทันทาธาตุไม่รู้สึกผิดหวังจนเกินไปเพราะ อย่างน้อยก็ได้มาเห็นอัญมณีมีค่าและสวยงามที่สุดในโลกจะได้ไปคุยอวดคนอื่นว่าเป็นบุญตาที่มาเห็นท่านพระครูตั้งจิตอธิษฐานต่อพระธนทธาศซึ่งท่านเห็นชัดเจนแม่เจดีทองครอบอธิษฐานว่าขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ประเทศไทยชั่วนิรันดร์การขอพ้องภัย ที่มาแพ้วผ่านจงแพ้พ่ายด้วยอำนาจแห่งพระพุทธคุณด้วยเทินสิ้นคำอธิษฐานฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาสามครั้งทั้งที่ไม่มีฝนตกพวกคารหัดพากันแปลกใจต่างมองไปที่ท่านพระครูเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อแพรกระซิบถามผู้อ่อนวัยกว่าว่าฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเพราะเธอหรือว่าเป็นเพราะ หลวงพ่อโตของฉันไม่ใช่ผมหรอกครับหลวงพ่อแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จโตด้วยถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรคงเป็นพระพุทธานุภาพนะครับหลวงพ่อผมอธิษฐานต่อพระเขี้ยวแก้วว่าขอให้พระพุทธศาสนาจงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราตลอดไปท่านริงตอบสียก่อนเพราะรู้ว่าผู้สูงวัยจะต้องถาม เธออธิษฐานว่าอย่างไรก่อนออกจากวัดศีดาลดามัลิกาวะท่านพระครูให้อาจารย์เอื้อนำปัจจัยไปให้บุรุษชาวลังกาเป็นค่าสินน้ำใจคนละร้อยรูปีคนทั้งสี่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เงินมากมายถึงปานนี้ที่ทำไปเพราะอยากได้บุญข้อที่มีชื่อว่าเวยาวัจมัย บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยการขนขวายรับใช้คือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนไม่นึกไม่ฝันว่าบุญจะส่งผลทันตาเห็นเช่นนี้รถบัสไปส่งคฤหัสที่โรงแรมก่อนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดชายฝั่งทะเลอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นสบาย ทำให้หายเหนื่อยจากการเดินทางตามกำหนดการและทุกคนรับประทานอาหารข้ามแล้วพระมะกุเทศจะมารับไปช้อปปิ้งในตัวเมืองเพื่อหาซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เมืองไทยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถบัสคันเดิมก็นำพระพิสุเจ็ดรูปไปยังวัดอัดคิริยา หรือวัศยาโมปาลีตามชื่อพระอุบาลีที่ได้เดินทางมาบรรพชาอุปสมบทให้ชายศีลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากมรณภาพที่วัดแห่งนี้บริขารต่างๆของท่านทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นอนุสรณ์ นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปท่านไว้ขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหล่อด้วยสำริดเพื่อระลึกถึงคุณูปาการที่ท่านมีต่อประเทศศรีลังกาเมื่อได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วท่านพระครูบอกพระครูบุญมีว่าท่านช่วยพาผมไปดูคนเผ่าไทยที่เมืองรัตนาปุระด้วยนะครับชวนท่านปัญญาติดสะ ไปเป็นเพื่อนด้วยท่านหมายถึงเจ้าอาวาสวัศยาโมปาลีผู้ซึ่งให้การต้อนรับอย่างดีไม่แพ้ท่านสัท ธ, ธาติสะที่โคลัมโบผมเคยได้ยินชื่อเมืองรัตนาปุระแต่ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นทำไมท่านรู้ผมตั้งความปรารถนาไว้เมื่อก่อนมา ขอให้ได้ไปชมหมู่บ้านคนไทยในสีลังกาที่อพยพมาที่ประเทศนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบไม่ตรงคำถามนักพอดีกับท่านปัญญาติดสะเดินเข้ามาพระครูบุญมีจึงเรียนถามท่านว่าท่านรู้จักหมู่บ้านคนไทยในเมืองรัตนาปุระไหมครับมีคนไทยอยู่ในสีลังกาด้วยหรือ ท่านคงไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวหรอกนะไม่ใช่ครับพวกเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หก็ประมาณร้อยปีล่วงมาแล้วผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเมืองรัตนปุระผมก็เคยไปแต่หมู่บ้านคนไทยนั้นไม่เห็นมีชาวศรีลังกาคนใดพูดถึงแล้วท่านทราบได้อย่างไรครับ ท่านพระครูตอบแบบเดียวกับที่ตอบพระครูบุญมีจะตอบตรงคำถามไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านรู้มานั้นเป็นเรื่องลับเฉพาะ